ซีดีธรรมบัญญายชุดธรรมะกับการศึกษาโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยา น, นาเวศ ส, ส ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพราณจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หฝึกคนเริ่มต้นที่ไหนบัญญายเมื่อวันที่ สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ก็มาคุยธรรมะเล็กๆน้อยๆกันตอนนี้เวลาจะฉันข้าวนี่ยังสวดปฏิสังขโายหรือเปล่าสวด น, นะแล้วเข้าใจความหมายไหมคือให้ รับประทานอาหารด้วยปัญญาสาราสาคัญไม่ได้รับประทานเพลงด้ตัณหาสองอย่างนี้จะมีพูดถึงเรื่องนั้นต่างกันอย่างไรตอนแรกท่านจะบอกเราพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงฉันพัตนาหารนี้มิใช่เพื่ออย่างนี้งี้เนี่ยหนึ่งท่าทีหนึ่งไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เพื่อเห็นเกลเอร์อร่อยไม่ใช่เพื่อสนุกสนานโมมาโกเกเนี่ย นท่าที่หนึ่งนี้เรียกว่าด้านตัณหาถ้าไปกินอาหารเพื่ออย่างนั้นก็เป็นการกินเพื่อสนองตัณหาทีานี้แต่รับประทานเพื่อนี้ต่อไปก็เพื่อยังชีวิตให้เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ชีวิตที่ดีงามอนุเคราะห์นี่หมายความเกื้อหนุนเกื้อหนุนการมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐ เราจะทำหน้าที่อะไรทำความดีอะไรเราก็จะได้มีกำลังไปทำโดยเฉพาะก็คือใครอยู่ในชีวิตกิจการงานอะไรมีหน้าที่อะไรก็จะได้มีกำลังไปทำร่างกายจะได้อยู่ดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็กินมาให้เป็นโทษเนี่ยท่อนแรกก็ปฏิเสธว่าไม่กินได้ตัญหาท่อนสองก็กินได้ปัญญา กินด้วยปัญญาก็คือกินด้วยความรู้เข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงของการบริโภคอาหารหมายความว่าการกินอาหารนี้ความมุ่งหมายที่แท้ที่เป็นประโยชน์ของมันคืออะไรใช่ไหมท่านก็ให้เข้าใจแล้วกินให้ตรงความมุ่งหมายนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็จะมีสองแบบคือกินสนองความต้องการที่ เป็นเรื่องของความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจอริด อ, อร่อยเนะี่ยโดยไม่รู้ว่าไอ้ที่กินไปความมุ่งหมายที่แทมเพื่ออะไรรู้ก็ไม่ตระหนักเวลากินไม่ได้นึกถึงนี้ท่านก็เลยเตือนนะเวลารับประทานอาหารก็เลยให้พิจารณาเป็นการฝึกการรับประทานอาหารนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่าง การเกี่ยวข้องบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ตลอดจนอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกอย่างแหละคือที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องที่นำมาใช้ประโยชน์ก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงซึ่งเป็นคุณค่าของมันเราพูดได้ว่าเป็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นต่อชีวิตของเรานี้เวลาเราจะใช้อะไรเราก็ต้องจับให้ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนซื้อรถเนี่ยคุณค่าที่แท้จริงของรถคืออะไรแต่ว่าสําหรับคนเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งมาเกาะมาประกอบซึ่งหลายคนเนี่ยจะไปเด่นที่อันนั้นไปเด่นที่ด้านความรู้สึกซื้อรถก็จะนึกถึงว่าเออเราต้องมีรถมันเงินไม่โก้เนี่ยแไม่มีแต่แสดงว่าเรานี่ด้อยกว่าเขาหรือว่า อยากจะให้เด่นอะไรเงี้ยโดยไม่ได้คิดถึงว่าไอ้ตัวรถที่แท้มันประโยชน์มันอยู่ที่ไหนอะไรประโยชน์ที่แท้ที่เรียกคุณค่าเนะี่ยของรถคืออะไรอะไรนะเป็นยานพาห น, นะนนนนะสําหรับให้เดินทางโดยสะดวกอไปถึงที่หมายโดยรวดเร็วแล้วก็ควรจะมีคุณสมบัติประกอบเช่นความปลอดภัยความแข็งแรงทนทานเนี่ย อันนี้ก็เมื่อมองเห็นคุณสมบัติที่แท้ความมุ่งหมายที่แท้เนี่ยมันต้องใช้ปัญญาการใช้อย่างนี้จะไม่พลาดแล้วการตัดสินใจก็จะได้ประโยชน์พอดีนะเพราะว่าไอ้ความมุ่งหมายอย่างไงที่แท้เนี่ยนะเมื่อเราเอาความมุ่งหมายที่เรารู้ด้วยปัญญาที่ตรงความจริงนี้ไปตัดสินมันก็จะเกิดความพอดี ถึงได้ให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อาหารเนี่เป็นเรื่องประจำวันถึงว่าถ้าเรารู้ว่าเรากินอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีใช่ไหมอันนี้มันตรงความต้องการของชีวิตพอเรามองที่จุดนี้เกณฑ์ตัดสินมันมีว่าอ๋อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีต้องกินให้พอดีกับความต้องการของร่างกายหนึ่งมันก็จะกํา จำกัดปริมาณอาหารที่บริโภคใช่ไหมฮะเออเรากินมากไปอร่อยอยู่แต่กินเข้าไปกินเข้าไปนี่กลับเป็นโทษต่อร่างกายเราก็ไม่กินเน่เพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่สุขภาพปริมาณอาหารก็พอดีสองประเภทอาหารเราก็เลือกอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่เราก็ศึกษาว่าอาหารชนิดไหนบ้างที่ร่างกายต้องการกินแล้วจะเป็นประโยชน์ ไม่เกิดโทษต่อชีวิตของเราใช่ไหมเราก็ได้ประเภทอาหารที่พอดีอแต่ถ้าเราไม่มีเกณฑ์ตัดสินได้ปัญญาที่รู้คุณค่าความมุ่งหมายที่แท้จริงนี้เราก็กินไปตามความรู้สึกเรียกว่าชอบใจไม่ชอบใจกินได้ปัญญานะี่ยคือด้วยความรู้ถ้าตรงข้ามก็กินตามความรู้สึกรู้สึกก็คือชอบใจไม่ชอบใจนะมันก็จะไม่มีขอบเขต กินตามอร่อยก็กินก็ไปยังอร่อยก็กินนะและถ้าไม่อร่อยตรงทางไม่อยากกินใช่ไหถทางทางที่ของนั้นมีประโยชน์แล้วไปกินของประเภทที่มันมาสนองความอยากและบางทีมันไม่ใช่แค่อร่อยนนนะเอาโก้เอากอเกใช่ไหมฉะนั้นคนจำนวนมากเนี่ยกินสิ้นเปลืองเปล่ า, ลาแล้วไม่ได้ประโยชน์เป็นปัญหาแก่โลกนี้มา ไม่ใช่เฉพาะกับชีวิตบุคคลนะสังคมเนี่ยเป็นปัญหา่าหลายคนนี่กินลากินผล น, นีใช่เปล่านะกินอาหารมื้อละหมื่นก็มีแสนก็มีแล้วไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายด้วยกินแล้วเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็เบียดเบียนกันสิเพราะว่าจะต้องใช้สิ้นเปลืองก็ต้องหาเงินแย่งชิง ีก็ต้องเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมนุษย์ที่มันมีปัญหามันเป็นมาจากเรื่องนี้ว่าโดยที่แท้ว่าไปแล้วก็คือจักตรหานี่แหละน่ทีนี้ถ้ากินได้ปัญญานะซื่อตรงตามปัญญาบอกเนี่ยมันก็ง่ายนะกินอาหารมื้อหนึ่งก็อาจจะไม่แพงเท่าไหร่ใช่ไหมตรงความต้องการของร่างกายได้ประโยชน์ด้วยนย แต่ถ้ากินได้ตัณหาเนี่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีพอดีไม่รู้ขอบเขตเป็นโทษต่อชีวิตตนเองเป็นโทษต่อสังคมแยังชิงเบียดเบียนกันมากขึ้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยฝึกนี่คือการศึกษาเบื้องตอน้นในขั้นนี้เรียกว่าศีล น, นะการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมถูกต้องเป็นศีลเพราะยังไม่ใช่เรื่องในจิตใจโดยตรงแต่มันมาจากปัญญาและจิตใจ ด้วยคือเวลาเรามีชีวิตเนี่ยทางเดือนการสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมการแสดงออกพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งปัญญามันต้องมาด้วยกันหมด แ, แต่ตอนนั้นน่ยให้ตัวปรากฏการณ์มันอยู่ที่ด้านการสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมให้ส่วนปัญญากับจิตใจเนี่ยเป็นตัวที่มนหนุนอนั้นในเรื่องที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเรื่องพฤติกรรมเนี่ยที่เกี่ยวกายวาจาไปแสดงออกทําอะไรเนี่ยท่านเรียวกว่าด้านศีล นี่การไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยสีรับประทานอาหารเป็นต้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องศีล น, นั้นที่เราท่องสวดปฏิสังขายโยเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกในขั้นศีลศีนวันที่บวชก็ได้อธิบายแล้วแต่ท่านอาจจะได้ยินมากเกินระจําไม่ไหวเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วนี้ว่าศี น, นั้นก็คือการที่เราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วยกายวาจาของเรา แล้วการสัมผันธ์นั้นมีอะไรบ้างนี่สัมผันสกับสิ่งแวดล้อมสามันพื้นฐานคือปัจจัยสี่อาหารการกินการบริโภคนี่เป็นศีลอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าปัจจัยยะปฏิเสวนาปฏิเสวนาก็คือการเสพการบริโภคเสวนาเสพและปัจจัยก็ ปัจจัยปัจจัยสี่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เกื้อหนุนชีวิตน่ะปัจจัยว่าสิ่งที่เกื้อหนุนในที่นี้หมายถึงเกื้อหนุนชีวิตใช่ไหมเราต้องอาศัยมันไม่อาศัยมันเราก็แย่ yeah. <c oughs> นี่ด้านนี้ก็เป็นศีลประเภทหนึ่งในสี่อย่างศีลน่ะมีหมวดสี่หมวดสี่ประเภทด้านนี้สําคัญเรารับประทานอาหารก็ให้รู้ว่าที่แท้เพื่ออะไร แล้รับประทานใน้ตรงต่อไปเราก็ฝึกเราใช้เครื่องหนุนหม่มเรามีที่อยู่อาศัยเราจะซื้อรถซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเครื่องใช้เราพิจารณาได้ปัญญาว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่มันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแน่ๆน่ะคืออะไรแล้วเอาอันนี้เป็นหลักส่วนที่ว่าเรายังมีตันหาบ้างอะไรแต่ละเป็นปุถุชนก็เป็นธรรมดาอย่าให้มันมาครอบงำเป็นใหญ่ให้มันเป็นรอง ต้องเอาไอ้ด้านที่หนึ่งที่เป็นเรื่องปัญญาเป็นของแท้เนี่ยให้ได้ก่อนนะฮะที่เหลือก็ประกอบพอเราได้หลักนี้เราจะมั่นใจแล้วเราจะไม่หลงเราจะระ ง, งับยับยั้งตัวเองได้ง่ายมีสติดีขึ้นงั้นเราก็หลงเพ ล, นเพลินไปตามกระแสเนะี่ยกลัวจะน้อยหน้าคนอื่นกลัวจะเหม่เด่นอะไรอะไรนะใช่ไหมเนี่ยเรากไ็ไม่มีชีวิตที่ดีงามแท้แล้วก็ทำให้เสียแก่สังคมไปด้วย ก็อันที่หนึ่งก็เรื่องปัจจัยปฏิเสวนาที่เราสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมยังมีเรื่องอะไรก็เรื่องตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ยตาดูหูฟังที่จะยำบ่อยๆดูเป็นฟังเป็นนีดูทีวีเพื่ออะไรมนุษย์ต้องการอะไรจากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องการข้อมูลความรู้แล้วจะเป็นประโยชน์กับชีวิตใช่ไหมเราจะได้อยู่ได้ดีขึ้นเราจะได้พัฒนาชีวิตของเราเราจะทันต่อสิ่งทั้งหลายปฏิบัติตามทุก แต่นี้บางคนดูแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลยได้แต่ความรู้สึกอย่างเดียวแล้วก็รุ่มหลงไปถูกมันกล่อมมันชักมันจูง <c oughs> เกิดโทษกับชีวิตฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเน้นว่าการสมัมผัสสิ่งแวดล้อมด้านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็ต้องให้ได้ประโยชน์มีสติคอยกำกับไว้แล้วก็คอยให้พิจารณาว่าเอ้ประโยชน์ที่แท้เราได้ไหมใช่ไหม คือโดยเฉพาะก็คือด้านปัญญาและความดีงามความไม่เสียหายนั่นก็ดูทีวีปับ๊บต้องได้อันที่หนึ่งก็คือความรู้สองประโยชน์นะฮะคติธรรมอะไรต่ตางๆเหล่านะี้ด้านในที่จะไปลุป่มหลงเพลิดเพลินเราก็เอาแค่สนุกสนานหย่อนใจบ้างพอประมาณต้องมีสติคอยยับยั้งตัวเองอันนี้ก็เป็นศีลท่านเรียกว่าอินเซียสังวรนะฮะ สีประเภทบาง ก, กีเนียจจ่ยปัจยภาพิเสวนานั่นเสพปัจจัยสี่อันนี้อินเสียสงวรเรื่องการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ความจริงนะถ้าเลี้ยงอินทสียสังวรก่อนนะแล้วจึงมาข้ออื่นเพราะตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันใช้ตลอดเวลาแล้วก็อะไรอีกด้านอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการอยู่ร่วมชุมชนการมีชีวิตในหมู่คณะ ในสถาบันองค์กรในหมู่บ้านอะไแต่้งแต่ในโรงเรียนเลยเนี่ยชุมชนต่างๆมันจะมีวิ น, นัยใช่ไหมต้องอยู่ร่วมกันให้ดีแล้วก็มันจะมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาเพื่อการอยู่กันด้วยดีแล้วก็แต่ละคนก็จะได้ดำเนินชีวิตของตนก้าไปในสังคมชุมชนนั้นอันนี้จะเรียกว่าเป็นศีลอีกประเภทหนึ่งเหมือนอย่างเรามาบวชเนี่ยมีศีล227เดเนี่ ย, เ, ยเป็นศีลประเภทนี้ ชื่อพระเทเรซาปาติโมกษ์สังวรศีลจะไ ป, ไปอยู่ชุมนุมชนไหนไม่แต่ประเทศก็ต้องมีรัฐธรรมนูญใช่ไหมเนี่ยศีลประเพศนี้ก็สําคัญวางไว้เพื่อให้หมู่ชนนั้นอยู่กันได้ได้ดีเมื่ออยู่กันได้ดีๆแล้วแต่ละคนนั้นเองก็จะได้ดําเนินชีวิตก้าวไปสู่จุดหมายจะได้พัฒนาตัวได้สะดวกคล่องตัวมันเกื้อกูลซึ่งกันและกันตัวเราเองก็ต้องเกื้อหนุนส่วนรวมให้ส่วนรวมอยู่ได้ดี ไม่ไปเป็นส่วนประกอบที่ทำลายให้เกิดความเดือดร้อนเมื่อสังคมหมู่ชนอยู่ดีมันก็กลับเป็นสภาพเป็นรอดที่เอื้อให้เราทำอะไรได้คล่องตัวมันก็หนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ศีลประเภทหนึ่งก็คือการประกอบอาชีพ เ, เรียกว่าสำมาชีพหรือภาษาพระเรียกอาชีวปาริสุทธิศีลศีลคือความบริสุทธิ์ของอาชีพก็เราทางานทาการหา อยู่ในโลกก็ต้องหาเลี้ยงชีพเป็นธรรมดาแต่การหาเลี้ยงชีพของเราก็หลักการเบื้องต้นคืออย่าสร้างความเดือดร้อนเวรภัยแก่ผู้อื่นให้เป็นอาชีพสุจริตแล้วก็ประโยชน์ต่อจากนั้นก็คืออาชีพที่ดีนั้นมันเป็นอาชีพที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยความต้องการความจะเป็นของมนุษย์เช่นว่าทําไมมีอาชีพแพทย์ก็เพราะว่าคนเปโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมนี่ยทําไมมีอาชีพสถาปัตย์นี่ย อวาวตมีการก่อสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ทําไมต้องมีวิศวกรรมศาสตร์มันก็ต้องมีเหตุผลทั้งนั้นนี่อาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยก็มีไว้เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทําอาชีพให้ตรงความมุ่งหมายนี้อย่าไปเห็นแก่ว่าจะได้รายได้อย่างเดียวต้องทําให้ได้วัตถุประสงค์ของอาชีพนั้ น, นถ้าเราเป็นแพทย์เราก็ต้องคํานึงถึงอาชีพแพทย์นี้เพื่อจะช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ ทำให้เขามีสุขภาพดีอันนี้เราต้องทําให้ได้วัตถุประสงค์นี้ถูกไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนหากินสุจริตไม่สุจริตมันไม่ใช่แค่นั้นสองให้ได้วัตถุประสงค์ของอาชีพนั้นนะฮะถ้าคนไม่เอาอย่างนั้นก็เอาแต่หาประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวไม่คํานึงถึงคนอื่นใช่ไหมไม่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ของอาชีพสามอะไรต่อไปอีก สามก็คือว่าชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยมันหมดไปเวลาเราใช้ไปกับเรื่องของการทำอาชีพเนี่ยเยอะวันวันหนึ่งเนี่ยหมดไปกับอาชีพเท่าไหร่เนี่ยอาชีพการงานวันหนึ่งอยังประกอบอาชีพราชการในวันแปดชั่วโมงเนี่ยเนี่ยสามในแต่ละนะฮะหนึ่งในสามของวันเลยแล้วไม่เฉพาะแค่ไป แค่ไปอยู่ที่ทํางานนะเดินทางอีกอกลับรถอีกเตรียมตัวอาบน้ำเอาทาไปโอ้ตกลงมันกินเวลาชีวิตเราวันหนึ่งเยอะเกือบครึ่งหนึ่งเลยอันนั้นเราจะต้องเอาประโยชน์จากเวลาที่เสียไปชีวิตของเรานี่หมดไปกับมันเสตั้งเกือบครึ่งเนี่ยเราทําไงจะให้ได้ประโยชน์เราก็ชีวิตของเราจะดีด้วยการฝึกพัฒนาตัวเองเราก็ใช้อาชีพจะเป็นแดนพัฒนาตัวเอง นี่จะเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพราะว่าคนเราเนี่ยนะเมื่อประกอบอาชีพเป็นเนี่ยไม่ใช่ศักตะ ว, วัตรมแล้วก็เลยฝืนใจแล้วก็สักตะ ว, วาหากินหาเลี้ยงชีพแต่ทํำด้วยความรู้เข้าใจว่าโอ้เราใช้เวลาไปกับอาชีพการงานเนี้มากและในอาชีพการงานเนี่ยนะที่จริงเราฝึกตัวเองตลอดเวลานะเราทํางานเนี่ยเราฝึกมือฝึกเท้าเราฝึกการสัมพันธ์กับผื่นมนุษย์เราฝึกจิตใจของเรา ว่าเราเจอสิ่งโน้นสิ่งนี้กระทบกระทั่งอะไรแต่ไรเรารับได้ไหมเราแก้ปัญหาได้ดีไหมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีไหมใช่ไหมเรารู้จักพูดจากจะไหมเนี่ยแล้วก็จิตใจของเรามีความเข้มแข็งอดทนมีสมาธิมีสติในการทำงานไหมเรารู้จักแก้ปัญหาได้เรียนรู้หาความรู้ในเรื่องการงานให้ดียิ่งขึ้นปัญญาของเราจะไดพัฒนามถ้าเราใชอาชีพเนี่ยเป็นแดน พัฒนาตัวเองฝึกตัวเองได้เยอะเลย mm hmm. ก็ยิ่งหาโอกาสเลยใช้อาชีพเนี่ยเป็นที่ฝึกตัวเองเอทําด้วยความตระหนักรู้แล้วได้ประโยชน์เมื่อไนหลายคนไม่ได้ประโยชน์จากอาชีพเนี่ยเวลาก็เสียไปเ ป, เปล่าทั้งคืนงคองชีวิตนแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเมื่อจ้ากอบอาชีพอะไรแล้วก็เราก็ทําอาชีพนั้นให้เป็นแดนมีความสุขของเราด้วยถ้าเราทําอาชีพแล้วเราไม่มีความสุขเราก็หมด ความสุขไปครึ่งชีวิตเลยใช่ไหมแย่ yeah. นะนี่แหละก็เลยว่าเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ศีลก็คือเนี่ยความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมซึ่งออกในรูปที่พูดไปแล้วก็เอาทวนอีกทีมีสี่ทีนี้ว่าตามลำดับหนึ่งการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลินก้นไก่นะตั้งแต่ดูฟังเนี่ยดูฟังให้ดีให้ได้สติปัญญาให้ได้ประโยชน์ให้ได้คติธรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ และสก็เรื่องการประกอบอาชีพการงานนี่เป็นแดนใหญ่ที่เราควรจะได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยนะได้ได้ประโยชน์ตัวเองแล้วทำประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยแล้วทำดีแล้วก็ได้หมดเลยแล้วก็สมก็เรื่องการเสพบริโภคปัจจัยสี่สิ่งของเครื่องใช้บริโภคทั้งหลายใช่หให้กินได้ปัญญา เมื่อกินได้ปัญญาบริโภคได้ปัญญาก็จะเกิดความพอดีท่านเรียกว่ามัตตัญญุตตาเช่นโพชเนมัตตัญญุตตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคก็คือบริโภคได้ปัญญานั่นเองและชีวิตก็ดีด้วยไม่เบียดเบียนกันแล้วก็สี่ก็เรื่องของวินัยที่เป็นหลักของชุมชนสังคมนั้นๆที่จริงท่านตั้งเป็นข้อนหนึ่งด้วยซ้ำอย่างของพระในปาฏิโมกขงสงวนศีลศีลก็มีสี่หมวดเนะี่ย เรารู้จักกันมักจะรู้จักแค่ศีลห้าศีลห้าเนี่ยมันก็เป็นประเภทวินัยของครือหัดสําหรับเป็นหลักประกันสังคมไม่ให้เบียดเบียนกันเกิดไปแต่ที่จริงไม่พอหรอกอย่างเด็กในบ้านเนี่ยไม่ใช่ฝึกกันแค่ศีลห้าตั้งฝึกเนี่ยศีลการใช้ตาหูเริ่มใช่ไหมดูทีวีอะไรเงี้ยฟังอะไรต่างๆแล้วเนี้ย ถ้าเราไม่รู้จักฝึกเนี่ยเราก็โมตะหลงเพลินเพลินจะหายวัยรายการบันเทิองอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นโทษไม่พัฒนาตัวเองอันนี้ที่จริงไอ้เรื่องบันเทิองอะไรต่างๆที่จริงมันเป็นเพียงส่วนประกอบของชีวิตเท่านั้นเองแต่เราเอากลับมาเป็นหลักเนี่ยมันก็เสียหมดสิยิ่งสังคมสมัยนี้ก็หาเงินหาทองกันมากก็เอาไอ้เรื่องบันเทิงมาเป็นเครื่องล่อล่อ เพื่อจะได้เงินเยอะๆแต่ไอ้คนที่ถูกล่อเนี่ยไปติดบันเทิงเนี่ยตัวเองเสียนีเขาได้แต่เขาก็ได้เงินไม่ได้ได้สิ่งที่เป็นสาระเท่าไหร่หรอกนีได้ศีลแค่สี่หมวดนี่แล้วก็ดีเยอะและชีวิตใช่ไหมครับเชื่อไหมเนี่ยแค่ศีลเนี่ยชาวพุทธก็ยังไม่รู้จักกันเลยนีศีลสีประเภทเนี่ยก็สาระสําคัญก็คือการที่ชีวิตของเราเนี่ย สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทท่านั้นเลยนี่ลึกลงไปก็ไปเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องปัญญาท่านั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีก็เอาเรื่องศีลเนี่ยให้เข้าใจกันให้ชัดนี่ก็เราจะไม่ได้อยู่แค่ศีลห้าแต่ศีลห้าสังคมไทยแค่ศีลห้าก็แท็บตายแล้วใช่รับจะไม่รอดอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราโมาจะเอาเพ่งไปศีลอย่างเดียวเนี่ยที่จริงมันกลับยาก ถ้าเราไปฝึกศีลอย่างอื่นมาเนะี่ยมันกลับมาหนุนให้ศีลห้าบางทีเป็นไปได้เองเลยอ่ะเหมือนยังจะไม่เบียดเบียนการแย่งชิงอะ่ะถ้าเราปฏิบัติตามศีลข้อการกินเสพบริโภคด้วยปัญญารู้จักประมาณมันกลับมาหนุนศีลห้าเองเชื่อไหมมันก็ไม่ต้องไปเบียดเบียนกันสิแล้วอย่างสุรามันก็ลดความสําคัญไปเลยอยาเสพติดก็ไม่มีปัญหานี้เราตรงไปเน้นจะเอาศีลห้ศีลห้าเ ห, หมือนบังคับคน ประฝึกด้วยความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเนี่ยการใช้ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วอยู่ในบ้านหนูดูทีวีเพื่ออะไรเนี่ยผมเล่า บ, าบา่อยๆเด็กปถมมาแต่ก่อนนี่ก็ต้องไปฉันข้างนอกฮะเด็กปฐมสี่เด็กปฐมสามมาหนูดูทีวีมากไหมหัวกันเนี่ยเยอะบอกดูเยอะอ้าวดูวันละเท่าไหร่หัวกันบอกว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็ดู น้อยหน่อยถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ดูทั้งวันลงน่ะบอกอ่าแล้วก็หนูดูทีวีเนี่ยดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เออเคยได้ยินไหมคําเนี้ยอยไม่ได้ยินเลยแต่ว่าพอแยกให้แล้วเดี๋ยวเดียวก็เข้าใจใช่ไหมดูเพื่อเสพก็ดูเพื่อศึกษาคนโดยมากมัได้คิดไม่เคยดูตัวเองว่าเราดูเพื่ออะไร ดูเพื่อเสพกับดูเพืศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กอาจจะงงตอนแรกเดี๋ยวแกก็รู้แหละถ้ารู้เด็กบอกดูเพืเสพเก้าสิบเก้าเอร์เซนตดูเพืศึกษาแทบไม่มีเด็กอีกคนหนึ่งใช้คอมพิวเตอร์คุณพ่อซื้อให้ก็บอกแล้วหนูและใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนกันนะเสพบ้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์อาทำไรเล่นเกมเหมือนเนอะเนี่ยพอกอา้าว หนูแล้วที่ดูทีวีเพื่อเสพ90กเปอร์เซนแล้วถ้าไม่มีเพื่อการศึกษาเลยเนี่ยหนูทาถูกไหมนะเด็กก็ไม่ถูกกว่าเด็กก็รู้ตัวนะถ้าถามก็พอเราถามนี่เขาตรวจสอบตัวเองทันทีเลยเราไม่ต้องไปว่าไปอะไรเขาหรอกนะเขาก็จะพิจารณาเห็นได้เองนี่บอกว่าอ้าวถ้ามันไม่ถูกแล้วทำไงดี เด็กก็บอกต้องแก้ไขเพราะงั้น แ, แล้วแก้ไขอะไรเราหนูจะทำไงบอกว่าเด็กก็บอกว่าเอาห้าสิบห้าสิบเางั้น <laughs> ก็เลยบอกว่าไม่ต้งมากแล้วตอนนี้ยอมให้เราเคยมากับไอ้เรื่องเสพเยอะตั้เก้าสิบก้าเปอร์เซนยู่ๆจะมาห้าสิบห้าสิบไม่ไหวและสังคมมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยผู้ใหญ่ก็ทำเพราะฉะนั้นก็เห็นใจเด็กก็ค่อยๆฝึกไป แล้วก็หาดอการตกลงในที่สุดเด็กก็บอกเอาเสพเจ็ดสิบศึกษาสาสิบอเอาละแค่เนี้ยเริ่มต้นต่อไปก็ค่อยๆก้าวไปนี้ถ้าคนมีหลักเนียนะต่อไปก็จะมีมาตรฐานมีการฝึกตัวเองมีแนวทางใช่ไหมอันนี้ก็คุมตัวเองอยู่ก็เกิดความรู้จักประมาณทำอะไรถ้าเรียวกว่าให้รู้จักประมาณก็มันจะมีสติ แล้วก็การที่เรารู้จักประมาณก็เพราะเรามีปัญญารู้ความจริงว่าไอ้วัตถุประสงค์ที่แท้คุณค่าที่แท้มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะถ้าเราไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่รู้ความหมายที่แท้จริงประโยชน์ที่แท้มันอยู่ที่ไหนมันจะเกิดความรู้จักประมาณได้ยังไงมันก็ไม่มีนะก็ต้องตั้งเกณฑ์ให้กลายเป็นบังคับกันฝืนใจนี่ท่านจริงให้ใช้ปัญญาพุทธศาสนาเนี่ยจริง สอนเรื่องปัญญ า, านะนั้นฝึกเรื่องศีลถึงจะให้เริ่มได้ปัญญาที่ศีลก็บริโภคปัจจัยสี่อ้าวให้พิจารณาได้แยบคายนี่คือปัญญาใช่ไหมเน่ศีลก็ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาให้รู้ว่าอ๋อการที่เรากินอาหารนี่มันไม่ใช่เพียงแค่นี้หรอกมันจะอยู่ที่อริดอร่อยมาวัดฐา น, น ะ, ะแสดงความโกเก๋ไม่ใช่อย่างนั้นที่แท้มันอยู่ที่ ให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีแล้วจะเราจะได้เอาร่างกายนี้ไปทําประโยชน์ไปทํางานการทําหน้าที่โดยเฉพาะพระเนี่ยท่านเน้นมากเพราะอะไรเพราะพระนี่ต้องอาศัยอาหารของญาติอยู่ไม่ได้ประกอบอาชีพเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องกินด้วยปัญญาเอาคุณค่าที่แท้จริงนะีไม่เห็นแก่เรื่องความอด อ, อยากลอยโกเกะเนี่ย แล้วก็จะได้ไม่รบกวนญาติโยมท่านเรียกว่าให้เป็นคนเลี้ยงง่า ย, ยแล้วก็จะได้เอาใจใส่เอาเวลามาทำงานตามหน้าที่ของตัวเองคือการศึกษาเล่าเรียนทำวินยัยปฏิบัติเผยแผ่ทำไปใช่ไหมอันนี้มันก็โยงกันไปหมด น, นั้นก็เรื่องปัจจัยสี่นี่เป็นเรื่องใหญ่ชีวิตของคนเราเวลานี้ เราจะเห็นว่าแม้ว่าโลกจเจริญก็ไม่มีหลักในเรื่องเหล่านี้นียิ่งมายุมาลอกกันในเศรษบริโภคให้มากแล้วถือเป็นดีไปนีแล้วที่จริงเกิดโทษกับชีวิตมากกว่าจริงไหมเดี๋ยวเนี้เกิดโทษกับชีวิตและสังคมมากเพราะการเศรษบริโภคเนี่เรียกบริโภคนิยมนี่เป็นปัญหามากมายนั้นการทําอะไรก็หนึ่งคำหนึงถึงประโยชน์ที่แท้ ทำอะไรเมื่อเกิดประโยชน์ที่แท้เกิดเป็นคุณสมบัติแก่ชีวิตก็คือทําให้ชีวิตของเรามีคุณภาพดียิ่งขึ้นอันนี้ท่านถือว่าเป็นประโยชน์ที่แท้ไม่ใช่ว่าทําอะไรเพื่อประโยชน์ตนไม่ใช่หมายความผลประโยชน์ได้เงินทองมากถ้าเงินทองมากนั้นมันไม่เกิดผลกับชีวิตที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นท่านไม่ถือเป็นประโยชน์อ่ะนะเพราะาตัวคนเรามันก็อยู่ที่ตัวเราชีวิตของเราใช่ไหม นี้ถ้าชีวิตของเรามันดีขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นมันก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นประโยชน์ในทางศาสนาที่ท่านเรียกประโยชน์ตนเนี่ยหมายถึงการที่ชีวิตของเราดีงามยิ่งขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นเช่นมีปัญญาดีขึ้นมีความสามารถมากขึ้นมีความเพียรพยายามแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าประโยชน์ตนแทนที่ท่านจะไปมองว่าไดโนไดนี ไดโนด้าน น, น, นี้มันที่จริงบางทีไม่ได้ไ ป, เ ป, เ, ปเป็นประโยชน์เลยมันกลับทําลายประโยชน์ได้ซ้ำนั่นคนจับไม่ถูกเพราะฉะนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าประโยชน์ตนเนี่ยต้องชัดนีประโยชน์ตนที่แท้ก็คือเนี่ยการที่ชีวิตของเรามันดีขึ้นมีความสามารถมากขึ้นปัญญามากขึ้ น, นทําอะไรได้ดีขึ้ น, นมีคุณภาพต่างๆทุกด้านดีขึ้นเนี่ยก็เสริมมันเข้าไปอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ตน ประโยชน์ตนแบบนี้มันไม่เสียกับคนอื่นใช่ไหมถ้าประโยชน์แบบไอ้เงินทองสิ่งของเครื่องใช้อันนั้นแหละถ้าขืนไปติดและแย่งกันตายเลยแต่ถ้าไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้มันต้องมองว่ามันเป็นเครื่องหนุนประโยชน์ต้นและประโยชน์ผู้อื่นด้วยเราอาศัยมันแล้วก็แต่ว่าเราจะไปจบแค่นั้นเอามาันมาหนุนประโยชน์ต้นที่แท้คือมาพัฒนาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น อันนี้ประโยชน์ตนก็จะไปหนุนประโยชน์ผู้อื่นว่าเรามีความสามารถมีความดีมีปัญญามากขึ้นเราก็ช่วยคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นนะประโยชน์ตนที่แท้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไปได้ด้วยกันอันนี้อย่างการบริโภคปัจจัยสี่ก็เลยขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนี่ยอย่างเราใช้เสื้อผ้าปัจจัยสี่เอาละหนึ่งเราก็คำนึงถึงประโยชน์ความมุ่งหมายที่แท้เมื่อกี้นี่พูดถึงอาหารนี่อย่างเครื่องนุ่งห่มเราใช้เพื่ออะไรท่านก็มี ได้ท่องหรือเปล่ากันเนี่ยท่านตั้งที่จริงต้องท่องครบสี่ปัจจัยเลยนะปฏิสังขารโยสําหรับอาหารก็นิโสปินดาปาตังถ้าใช้เครื่องนุ่งห่มก็ปฏิสังคารโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิขพเจ้าพิจารณาแล้วได้แยบคายจึงนุ่งห่มจีวรเ น, น่ยแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันคนเดนนี้ก็เพราะต้องการโก้แสดงเด่นยิ่งใหญ่เนี่ยสร้างบ้านกันเป็นเป็นรูปบดกี่ร้อยล้านเลยใช่ไหม เนะีอยู่ก็อย่างพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ง่ายนิดเดียวเลยแล้วพระองค์มีความสุขกับคนที่อยู่ห้าร้อยลีกเชื่อไหมนะเนอา้าวแต่ทีนี้เรามาดูหลักการอย่างเสื้อผ้าเครื่องหนูหมมเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมท่านก็นบอกเพื่อการใช่ว่าหนาวร้อนแดด เลือบยุงลิ้นไรอะไรต่างๆพวกเนี้ยอันนี้คือวัตถุประสงค์และก็ป้องกันความละอายใช่ไหมอันนี้คือความมุ่งหมายหรือประโยชน์คุณค่าที่แท้จริงของมันนี้คุณค่าที่มนุษย์เติมเข้าไปก็คือเพื่อลอดตาอ่าแล้วก็เพื่อโก้เกะเพื่อแสดงฐานะอวดว่าฉันนีแน่นมีเงินมีทองมากกว่าใช่ห วัดฐานะกันใช่ไันอเนี้ยเวลามาไปเป็นปัญหาเป็นปัญหาตอนนี้ใช่ไหมถ้าเอาคุณค่าแท้ไม่มีปัญหานิดเมื่อคนมีปัญญาแล้วปฏิบัติตามหลักพระาศาสนาก็มีศีลก็ไปอันว่าเรายึดหลักคุณค่าที่แท้จริงนี่ใช้เสื้อผ้าเ ค, ครื่องหนึ่งหม่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือให้มันเป็นประโยชน์กับร่างกายเช่น การหนาวร้อนให้พอดีกับสุขภาพไม่ใช่เอาที่ราคาแพงหรือไม่โก้หรือไม่บางทีเสื้อผ้าบางชนิดเนะี่ยแพงสัเปล่าเป็นโทษต่อสุขภาพจริงไม่จริงจริงใช่ไหมฮะเนี่ยแสดงว่าคนไม่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาคนที่ใช่เนี้ยฉลาดรึเปล่าไม่ได้ฉลาดเลยนี่แสดงคนเนี่ยพัฒนามากบอกมีอริยธรรมที่จริงไม่ได้ฉลาดเลยใช่ไหมอ่า ้็คนฉลาดจริงก็ต้องรู้เข้าใจมีปัญญารู้ประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งนั้นใช้ถูกต้องอา้าอันหนึ่งหละนี่พอเราใช้ถูกต้องดางความมุ่งหมายเช่นใช้เสื้อผ้าอ๋อเพื่อปกปิดความละอายแล้วก็เพื่อกันหนาวร้อนเหลือบอยุงนิรย์อะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะเสร็จแล้วเราสัมพันธ์อยู่กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนี้เป็นอันว่าเราตัดได้อันหนึ่งเนี่ยคือการที่จะใช้ใจ ซื้อเสื้อผ้าพเพียงเพื่อแสดงอวดโกอ่อวดนะเป็นต้นลุ่มหลงโมเมาเนี่ยเราตัดไปได้แต่นี้ถ้าหากว่าบางคนก็บอกโอ้เสื้อผ้าไม่มีความหมายหุ่งหมยังไงก็ได้แต่งตัวเลยกลายเป็นปล่อยปละแล้วเลยเรื่องเสื้อผ้ามอมแมมไปอย่างนี้เอาถูกไหมมีหลักอะไรในการตัดสินก็ไม่ห่วงใหญ่แล้วนี่คล้ายๆว่าฉันไม่ได้ถือสา นะ่ะไม่ยึดมั่นว่าไั้นนะี่ะเดืองเสื้อผ้าปล่อยไปตามสบายไมย่ยังไงก็นะ่ะไม่ต้องซักต้องรีดก็ได้ไม่นะ่ะแต่งตัวสกรปรกเลยก็ได้บางคนถือว่าอย่างงี้นะเลยบางทีพระบางองค์ก็เลยไม่ซักผ้าแล้วก็ปล่อยน่้เหม็นสาบไปเลยว่าไงถูกไหมไม่ถูกแไรใช้หลักยังไง คนที่แต่งตัวปล่อยเรื่อยเปลื่อยไปนึกว่าตัวเองไม่เอาใจใส่ไม่ยึดถืออะไรต่างๆเหล่านี้ยแต่เวลานั้นก็คำนึงแต่ตัวเองว่าเออเราไม่เอาใจใส่มันไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้คิดถึงตัวเองบางคนก็เลยเถิดไปมองในแะง่ว่าเขาจะได้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นการคิดถึงตัวเองไปการคิดที่ถูกต้องคืออย่างนี้ ลองคิดตามหลักภาษาสนาเราต้องมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมจิตใจเราไม่มีอะไรแล้วเราก็ทําไปตามหลักการประโยชน์ที่แท้เราใช้เสื้อผ้ากับเพื่อความมุ่งหมายที่แท้นั้นก็ได้แหละนี่เราอยู่ในเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยเพื่อนมนุษย์เราส่วนใหญ่ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เขาก็ต้องการพัฒนาปัญญาแล้วคนเราเนี่ยขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมเยอะ ได้เห็นสิ่งภายนอกเช่นเห็นธรรมชาติต้นไม้สวยสดงดงามจิตใจเขาสบายใช่ไหมฉันเรียกว่าเป็นจิตใจเป็นกุศลเราก็ควรจะเป็นส่วนร่วมช่วยให้จิตใจเขาดีงามเป็นกุศลนะะเพราฉนั้นเราก็เป็นสิ่งแม่ล้อมสําหรับคนอื่นทั้งนั้นแหละเขาก็ต้องเห็นเราเราก็แต่งตัวให้มันเรียบร้อยคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาจะได้สบายตาจิตใจเขาก็จเจริญมีความผ่องใสไม่ขุ่นโมเศร้าหมองนั่นก็ นี่เรียกว่ามีเมตตาต่อคนอื่นเนะีอย่างเงี้ยคือการปฏิบัติที่ถูกนิดมันเฉียดกันนิดเดียวคิดว่าแต่งให้โก้แล้วเขาจะได้แหมมาชมเราเห็นเร า, กาโก้เราอะไรนะเนี่ยหรือแม้แต่ติดใจอะไรกันแล้วแต่อันนี้ก็เป็นเอาแต่ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเรามองใ น, นแง่ว่าเออเพื่อเราจะได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยให้คนอื่นเขาเปจิตใจสบายเนะียไม่ขุดมดเศร้าหมอง เราก็จะแต่งพอดีใช่ไหมเ mm. ชื่อไมค้า พ, พอดีจะเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าจะเอาโก่เอาฐานะตัวเองไม่มีพอดีเลยไม่จบนะแล้วก็เราก็จะไม่ตัวมอมแมมด้วยนะความพอดีเกิดขึ้นมันพอดีหมดเลยถ้าเราใช้หลักที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยนะเพราะนั้นแม้แต่เรื่องของการใช้เสื้อผ้าแค่นึงห่มแค่เนี้ยมันมีความหมายเยอะเลย แก่ชีวิตของเราและแก่สังคมก็ไปอันว่าหนึ่งใช้ด้วยการรู้เข้าใจความมุ่งหมายคุณค่าที่แท้จริงประโยชน์ของมันต่อชีวิตของเรานะอันนี้ขั้นที่หนึ่งสองก็ไม่เอาตัวเองมาเป็นเกณฑนะ์เป็นการยึดมัน่นสองแบบยึดมั่นในความโก่เก๋ยิ่งใหญ่ตัวเองบ้ายึดมั่นในตรงข้ามคือยึดมั่นในความไม่ยึดมัน่นเพื่อแสดงตัวว่าฉันไม่ยึดมัน่นะนี่ก็ยึดมั่นเหมือนกัน เข้าใจไหมยึดมั่นในความไม่ยึดมัน่นบางคนเขาบอกกระฉันไม่ยึดมัน่นคือเขายึดมั่นในความไม่ยึดมัน่น <c oughs> นี่ตัดไปคือว่าไปตามปัญญาที่รู้ความจริงเนี่ยเราเห็นแก่เพื่อนมนุษย์เขาอยู่อย่างนี้ต้องการให้เขามีจิตใจดีงามแล้วก็ทำให้พอดีเขาเห็นเราก็เป็นสภาพเป็นล้อมที่ดีจิตใจเขาเราก็เป็นจิตใจที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ดีไปหมดเลยเนะ เขาก็ได้เราก็ได้ใช่ไหมจิตใจแบบเนี้ยจิตเป็นจิตใจที่ดีงามนี่นก็วางจิตใจให้ถูกแม้แต่เสื้อผ้าเครื่องนุงห่มแต่งตัวและเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะฮ อ, อย่างที่เราฝึกกันอย่างให้พอทางพระท่านถือว่าชีวิตของเราเนะเป็นชีวิตในการฝึกจะดีได้การฝึกอย่างทำไมพระท่านสอนให้นั่งให้เรียบร้อยแม้แต่พูดก็ให้มีปนมืออะไรเงี้ย มันเป็นการฝึกตัวเองท้าไม่ได้หมายความว่าจะมุ่งว่าพระผู้ใหญ่นี่จะเอาความเคารพกราบไหว้ในเรองการแสดงตัวใหญ่โตหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้ามองให้ถูว่าการไหว้เนี่ยก็เหมือนกันเพื่อหนึ่งก็ฝึกตัวเราอ้าวฝึกนิสัยในความอ่อนโยนในความไม่แข็งกระด้างแล้วก็เวลาเราประนมมือไหว้เนี่ยเราต้องสำรวมตัวเอง มีความเข้มแข็งเราบางทีเราจะพูดเราต้องร่างกายของเราต้องแกว่งไกว โ, โยกเยกอะไรต่างๆไปเราก็ต้องฝึกฝึกเพื่อให้เกิดความมั่นคงเนี่ยอันนี้ถ้าเราปล่อยตัวไปเราก็ เ, เ, เรื่อยเปื่อยหรือเราก็ไม่รู้ตัวถ้าเรื่องเกิดเป็นวาสนาที่ไม่ดีวาสนาก็คือการสั่งสมอบรมหรือทําให้มันเป็นลักษณะประจําตัวขึ้นมาจากความเคยชิน วาสนานี่ยมันจะคําดีนะเนี่ยทางพระท่านบอกว่าให้แก้ไขวาสนาให้ละวาสนาแต่คนไทยกลับชอบวาสนาเนี่ยบอกคนนั้นวาสนาดีคนนี้วาสนาไม่ดีพระอระหันต์ละวาสนาหมดเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าละได้หมดพระอระหันต์ทั่วไปยังละได้ไม่หมดสิ้นเหลือไอ้ที่มันติดลึกๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่เนท่าทางการพูดอะไรเงี้ยท่านเรียกว่าวาสนาคือการที่ เคยอย่างไรเคยชิดอย่างไรแล้วก็ติดมาเนะี่ยใช้ถ้อยคําอย่างนั้นอย่างนี้เนะนี่ยนีถ้าคนที่มีสติดีก็จะมาปรับปรุงตัวเองคอยพัฒนาสติมันจะช่วยกําหนดอ๋อจุดนี้เรายังบกพร่องจุดนี้เรายังเผลอไปแล้วก็พยายามแก้ไขปรับนั่นวาสนานะทางพระสําหรับมีไว้สําหรับแก้ไขทัขนานไม่ใช่ไว้เอาไว้แข่งแข่งขันนี่คนใจนี่ บอกจะไปแข่งอะไรก็แข่งได้จะไปแข่งบุญแข่งวาสนาท่านไม่ได้เอาไว้แข่งท่านเอาไว้สําหรับแก้ไขปรับปรุงเหมือนกันอย่างความเคยชินของเราเนี่ยเราก็ปรับปรุงซะแก้ไขทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็ปรับปรุงไม่ได้นี่การที่เรามีระเบียบวินยัยหรือวิธีปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในการสํารวมอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการฝึก ในเรื่องพฤติกรรมให้จิตใจของเรามาช่วยแล้วพอเราควบคุมอยู่เราจะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนั่นก็อย่างการที่ว่าเวลาไหายเนี่ยแทนที่จะเอามือไปเที่โ ว, ว, โ, ว, วโวกเว้โวกเว้แกว่งไปโน่นไปนี่ใช่ไหมแล้วก็พูดอย่างมั่นใจเลยเนะพูดสํารวมแล้วก็กายวาจาตั้งเป็นหลักมั่นไปเลยเนีอย่างทหารเขาก็ต้องฝึกใช่ไหมมีวิ น, นัยแต่วินัยของทหารเน้น แสดงความเข้มแข็งข่มศัตรูแต่ของพระนี่มีความเข้มแข็งข่มกิเลสดยกัน้วยฉะนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันจะเข้มแข็งในทางที่เป็นหลักที่ทำให้เกิดความมั่นใจทำให้คนอื่นนี่มีความสบายใจไม่ใช่ไปทำให้เขาเกรงกลัวแต่ว่าก็คือฝึกตัวเองนั่นอย่างการไหวการกราบพระท่านไม่ได้มาถือในการแข่งกันว่า ไหวเพื่อจะแสดงว่าเขาสูงเขาเหนือกับเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิมานะในหมู่มนุษย์นั่นน่ะไม่เข้ามาในศาสนาแล้วก็ไม่ได้มองในแง่นเนี่ยหนึ่งอย่างการไหวการกราบก็เป็นเรื่องของการที่จะช่วยให้สังคมเนี่ยมันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมตอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องการไหวท่านก็เล่าวไว้ พระเจ้าบอกถ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเราอยู่กันเนี่ยมันไม่มีการแสดงความเคารพกราบไหว้กันมันก็ไม่ดีนะฮะมันควรจะมีระเบียบกติกาในเรื่องนี้อ้าวทีนี้จะเอาเกณฑ์อะไรใช้ในการที่ว่าใครจะไหว้ใครพระเจ้าก็ถามความเห็นของพระองค์นี้ก็ตอบว่าเอาตามวันนะทิพระเจ้าข่าอย่างนั้นนะถ้าองค์ไหนมาจากวันนะ กษัตริย์ก็สูงหน่อยองค์ที่วณะต่ํามาจากวันะสูตรมาจากวันะแพทย์ก็ต้องไหวประมานั้นนะถ้าคนไหนมาจากวันะแพทย์วันะสูตรก็ไหว้แต่ตัวเองก็งไปไหววันนะกษัตริย์วันณะพระาหมณ์อย่าเงี้ยพระพุทธเจ้าก็เอาฟังไว้แล้วพระพุทธเจ้าก็ถามองค์โน้นอ้าวท่านว่ายังไงอีกองค์ก็บอกว่าเอาตามคุณธรรมในใจที่ได้บรรลุเนี่ยนะองค์ที่เป็นโสดา ก, ก็ไหวองค์ที่เป็น อนาคามีอรหันต์องค์ที่เป็นปุถุชนก็ไหว้องค์ที่เป็นอริยะอะไรเงี้ยนะเออพุทธเจ้าก็ส่งฝั่งถามองค์ั้านทียงนี้ทีให้ความเห็นและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ลงมติว่าเอาตามลําดับปูดก่อนหลังไม่ต้องว่าใครเหนือกับใครทางนั้นไม่ว่าวันลนะหรือว่าคุณธรรมภายในเอาตามสังคมภายนอกก็วันลนะใช่ไหมเนี่ยก็ถือชนชั้นพุทธเจ้าไม่เอาอยู่แล้ว นี่เอาตามคุณธรรมภายในนี่มันเรื่องของสังคมตักติกาเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันขืนไปรอดูว่าใครบรรลุธรรมชั้ททนไหนและทําไงแล้วครับ <c oughs> ดูออกไหม <c oughs> เถียงกันตายเลยนีไม่มีมาตรการเรื่องวินัยเป็นเรื่องของสมมติข้อตกลงในทางสังคมสมมติแปลว่ามติร่วมกันข้อตกลงวางไว้เอาอะไรเป็นเกณฑ์เราทําเพื่อความดีงามของสังคมชุมชนเราไม่ได้มาวัดใครสูงใครต่ํา นะเพราะฉะนั้นการไหว้ของพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่ได้ถือพระอรหันต์ก็กราบปุตตชนนะบทที่หลังท่านไม่ถือนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราไม่ได้วัดว่าใครสูงกว่าใครนี่เราไหว้เพื่อระเบียบเรียบร้อยความดีงามของหมูค่คนณะให้มีหลักมีกติกาในการอยู่ร่วมกันฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักศาะสะนาไม่มีปัญหาเวลานี้คนมีปัญหา แต่คนนั้นเราไปไหว้ทําไม <c oughs> ไนเนี่ยอะไรเงี้ยนะไปเห็นมีอะไรสูงเหนือกว่าเราเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเช่นอย่างนี้ก็ถือตัวกันคนที่จะไหว้กันหมดถือตัวไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นถ้าปฏิบัติตามหลักพระาศาสนาหนึ่งไหว้เราทําเพื่อฝึกตัวเองนะถ้ามองในแง่ตัวเองคือเราจะได้ฝึกตัวเองเราไม่มีความย่อดึงพยองอะไรทั้งนั้นนะเราก็ไหว้โดยถือกติกาที่วางไว้เป็นหลัก แล้วก็หนึ่งฝึกตัวเอง2เพื่อความดีงามของสังคมชุมชน 3. ประโยชน์ที่ลึกลงไปก็คือว่าคนที่ได้รับตกลงให้อยู่ในสถานะได้รับการไหว้เนี่ยถ้าสังคมปฏิบัติถูกต้องมันจะเป็นเครื่องช่วยคุมเขาเขาจะต้องระวังตัวประพฤติให้ดีให้เหมาะสมกับฐานะนั้นใช่ไหมให้คุณกับฐานะที่เป็นที่เคารพหรือเป็นที่ไหว้ของคนอื่น นี่ท่านก็มีมาตร ก, การว่าถ้าประพฤติตัวไม่ดีจริงๆให้สงตกลงกันไม่ไหวนะ่อย่างนี้เป็นต้นตกลงกันเลยวางวางมติแต่ปกติจะไม่ปฏิบัติเป็นสุดตัวแต่ท่านให้สิทธิ์ให้แนวทางไว้แล้วนะถ้าเขาประพฤติตัวไม่ดีจริงๆนะคือในตามปกติมันก็เอาไอ้การไหว้เนี่ยเป็นเครื่องข่มเขาไว้เหมือนกันเสร็จนะแล้วถ้ามันแย่จริงๆก็ลงมติไม่เอาด้วยเลยนะ นี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ระเบียบกติกาหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของสังคมเนี่ยมาเป็นเครื่องที่จะช่วยฝึกคนไปด้วยเนีเราก็อาศัยกับเกณฑ์เนี่ยได้ความรู้เข้าใจทําเพื่อส่วนรวมแต่ตัวเองเราก็ได้ฝึกไปมันก็เป็นการเรื่องหนุนซึ่งกันและกันชีวิตของบุคคลกับสังคมก็ก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างนี้ก็ คือทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปพร้อมกันเนี้ยก็เลยเราก็ท่านก็ให้เราฝึกตัวอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่หมวถือเรื่องนี้ถ้าเราทําใจถูกนั้นเราก็ไม่ค่อยมีปัญหากันเรื่องเหล่านี้ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสําคัญใช่ไหมวางใจผิดนิดเดียยุ่งเลย <c oughs> ใช่ไหมอ่นี่ก็อย่างที่ว่าเช่นใส่เสื้อผ้าทีนี้ก็วางใจซะให้ถูกแนวทาง เออเราจะช่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนอื่นเขาเห็นแล้วจเจริญตาจเจริญใจจิตใจเขาผ่องใสได้ดีแล้วเนะีเราตั้งใจในี้ใจเราก็สบายเนะีไม่ไปวัดฐานะกันไม่อะไรนะั้นเะนะี่ยมายึดทางในทางตรงข้ามทางนี้สุดตรงไปเนะีที่เอาเกียรติเอายึดเอาความยิ่งใหญ่แล้วก็มายึดถือตรงข้ามาฉันไม่ไปนคนยึดถืออะไรนั่นะก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเนอะ่านะ เข้าใจแล้วนะฮะ ห, หลักพราศาสนาในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องศีลทั้งนั้นเลยเนี่ยศีลมีความหมายเยอะอืเราไปมองแค่ศีลห้าแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามศีลข้ออื่นมันกลับทําให้ปฏิบัติศีลห้ายากพราะเราเริ่มจากศีลในชีวิตประจําวันการกินการอยู่อะไรกลายเป็นว่ามาเกื้อห น, นุนศีลห้าเองนะศีลห้าก็กลายเป็น คล้ายๆกฎิกาที่เรารู้ไว้ว่า อ, อเกณฑ์มันมีอย่างนี้เราจะได้ช่วยกันรักษาไว้สังคมก็อยูดด่ดีก็เพระาะฉะนั้นก็เนี่ยอย่างใครมีรุ่นก่อนๆที่ท่านลาไปอายุมากมีลูกมีอะไรแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ลูกเลยต้องฝึกการใช้อินเสียใช่ไหมะดูฟังเนี่ยเนี่ยศีลในบ้านเลยแล้วก็ การกินอาหารบริโภคใช้ปัจจัยสีเนี่ยทุกคนต้องฝึกดังนั้นเลยสีลประเภทเนี้ยดแีแท้เลยแล้วก็เป็นการศึกษาเบื้องต้นที่คนไม่ค่อยนึกนึกว่าจะไปเรียนหนังสือไปอ่านได้เยอะๆอะไรไอันนั้นนึกว่าเป็นการศึกษาการศึกษาคืออะไรคือการทําให้ชีวิตมันดีงามขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นใช่ไหม ถ้าไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือแล้วมันคุณภาพชีวิตมันก็ไม่มีคุณภาพดีขึ้นมันจะเป็นการศึกษาได้ยังไงเนะียแต่เรากินอยู่นี่แหละถ้าเรากินเป็นดูฟังเป็นคุณภาพของชีวิตดีขึ้นทันทีใช่ไหมเนะียมันก็จึงเป็นการศึกษาก็ดูว่าคนมีการศึกษาไหมคือคนที่เป็นอยู่ได้ดีไหมเนี่ยนะมีความสามารถที่จะดําเนินชีวิตที่ดีได้หรือเปล่านะอ่ะวันนี้ก็คุยกันพอสมควรแล้ว มีคุยเรื่องพื้นฐานวันนี้เรื่องศีลนะแต่ก็หลักก็เข้ามาอยู่ที่ว่าจะเป็นศีลเรื่ออะไรก็ตามอยู่ที่การฝึกตัวเองเราก็เลยตั้งใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนให้เราตั้งใจว่าเราจะฝึกตัวเองเราจะพบจะเห็นจะเจออะไรก็ใช้เป็นเครื่องฝึกตัวเองยิ่งถ้าดียิ่งกั่นั้นก็คือเราทําตัวให้เป็นคนที่พร้อมที่จะรับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เข้ามา ก็เลยทำให้ทำลายความถือตัวนะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีพร้อมที่จะรับฟังเขาอะไรแต่ไรเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงตัวเองยิ่งขึ้นนะ mm hmm. ใจิตใจก็ดีด้วยไม่ต้องไปทุก์ไปมีความโกรธขึ้นเครียดง่าย mm hmm. ใช่ไหมอันดีไปหมดนะ mm hmm. มีอะไรสงสัย mm hmm. ั้มฮะอ้าวนิมนย้อนกลับไปถามเรื่องการบริโภค รครับเนื่องจากพระสงฆ์เนี่ยจำเป็นต uh ้องอยู่อยู่ง่ายกินง่ายก็คืออยู่เพื่อเลี้ยงชีวิตในทางเพื่อศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจัยเนี้ยเราจำเป็นต้องพึ่งพาชาวบ้านออันนี้เป็นเหตุผลเดียวหรือเปล่าครับที่ทําให้ไม่มีกฎหรืออะไรที่ให้งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับครับก็อันนี้ด้วยเพราะว่าต้องอาศัย อาหารจากผู้อื่นเลี้ยงเป็นอยู่ครับมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าครับหรือว่าอันนี้เป็นหลักอันเดียวเลยคือคือพระพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าให้มองอาหารนี่เป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นปัจจัยใช่ไหมที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วก็ได้ทํากิจหน้าที่ของตัวมีชีวิตที่ดีงามที่เรียกว่าชีวิตที่ประเสริฐได้เนี่ยก็ให้มุ่งไปที่ว่าประโยชน์คุณค่าของอาหารใช่ไหม แล้วกินแล้วไม่ให้มีโทษไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยเนี่ยเป็นการเกณฑตัดสินอยู่ที่นั่นนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาถวายอาหารอะไรแล้วมันต้องฉันใช่ไหมคือว่าในแง่นั้นเป็นความสัมพันธ์กับญาติโยมชาวบ้านให้เลี้ยงง่ายนยีส่วนเรื่องของคุณประโยชน์ของอาหารนั้นอันนี้ไม่ได้บอกไว้โดยตรงเช่นว่า ไม่ได้ตัดเรื่องอาหารเนื้ออะไรเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นเพราะเรื่องของคุณค่าอาหารหรือเปล่าไม่ได้ตัดไว้นะแต่ตัดในแง่ที่เห็นเป็นรูปธปรรมภายนอกง่ายๆแต่ว่าหลักการก็คือว่าชาวบ้านกินอยู่ยังไงก็กินอยู่อย่างที่เขาเป็นนะแล้วก็าว่ากันไปก็เรียกว่า ถ้าใช้คำอย่างที่ท่านพุทธทาสใช้ท่านใช้คำว่าหาสายส่วนเกินของเขาว่าไงเนี่ย น, นี่คล้ายๆ อ, อย่างนั้นนะแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นการเกื้อกูล ด, ดยซ้ำชาวบ้านแม้จะไม่เกินเขามีเขาก็มาแบ่งปันมาเกื้อหนุนพระเพราะเห็นว่าพระเป็นผู้ที่ดีงามเป็นแบบอย่างแล้วก็ทำคุณประโยชน์กับสังคม โดยเฉพาะดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมนะแล้วท่านก็ทำกิจหน้าที่ของท่านท่านจะได้ไม่กังวลก็เลยไม่ให้ท่านต้องมามีภาระเรื่องนี้ก็เลยชาวบ้านก็ต้องกินั้งอยู่อยู่แล้วก็เลยช่วยรับภาระอันนี้มาเลยนะก็แบ่งไปให้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านเน้นในแง่ของความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันนะแล้วก็กินอยู่ไปตามอาหารที่ มนุษย์เขาเป็นอยู่กันทั่วไปนะที่ท่านถามนี่มีเจาะจงในแง่ไหนหรือเปล่าคือในฐานะที่ตอนที่เคยเป็นคาราวาสนะครับผมรู้สึกว่าอการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนอทางอ้อมอครับแล้วก็เลยรู้สึกว่า อ, อย่างบางคนที่เราศรัทธาเนี่ยฮก็ส่วนหนึ่งก็เห็นมาจากการที่เขา งดเว้นการรับประทานอย่างนี้ก็เหมือนกับเขาไม่อยากเบียดเบียนทั้งโดยตรงแล้วก็ทางอ้อมอันนี้ก็ทําให้เกิดความศรัทธาในตัวผมขึ้นมาคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากทราบว่มีเหตุผลอื่นหรือเปล่าในศาสนาว่าที่ว่าที่ว่าไม่ได้มีการห้ามในเรื่องนี้อแต่ว่าเรื่องที่ว่าให้ให้การเป็นการเป็นอยู่ง่ายแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวบ้านได้เนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเหตุผลที่พอจะ คือถามท่านอื่นมาบ้างแล้วอแต่ไม่ทราบมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าเลยลองถามท่านเจ้าคุผลหลักก็อันเนี้ยคือต้องพระต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเไม่งั้นเขาก็จะต้องกินอยู่อย่างของเขาแล้วต้องไปหาอาหารพิเศษมาให้พระอีกก็ลําบากเขานี่พระไม่ได้บอกว่าฉันกินเนื้อสัตว์หรือไม่กินเนื้อสัตว์ฉันกินอาหารถ้าคุณกินอะไรให้ฉันก็กินไปตามนั้นถ้าคุณเลิกกินเนื้อสัตว์ก็ฉันกินตามที่คุณมีฉันก็พลอย กินบางสวีรัตไปด้วยใช่ไหมคือพระเนี่ยไม่ได้บอกว่าฉันกินอาหารประเภทไหนที่จริงจะถามพระว่าท่านฉันเนื้อสัตว์ไหมพระตอบง่ายก็ไม่ไม่ถูกเหมือนกันว่าฉันหรือไม่ฉันเนี่ยก็ก็แล้วแต่คุณจะให้กินอะไรมีอะไรกินค็กิ น, กนไปตามนั้นแต่ถ้าคุณเกิดไม่กินเนื้อสัตว์ขึ้นมาถ้าพระก็ไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์ไปด้วยเช่นธรรมดาไปเลยมันเป็นไปเองนั้นถ้าว่าตามนี้แล้วถ้าพระบอกไม่ฉันเนื้อสัตว์ นะและญาติโยมเขายังกินเนี่ยญาติโยมก็ลำบากต้องไปจัดอาหารพิเศษมานะแต่นี่ในกรณีที่พระพุทธเจ้าก็จะกันไว้อีกว่าถ้าหากว่าทำมาเพื่อพระโดยตรงท่านห้ามเลยพราะฉะนั้นะจึงมีศีลบัญญัติไว้ไงถ้ารู้ได้เห็นได้ยินหรือแม้แต่ระแวงสงสัยว่าเนื้อสัตว์นี้ก็ทำมาเพื่อตนชั้นและเป็นอาบัติเลยนี่นี่ก็เนี่ยเนี่ย ไอจุดเนี้ยที่เป็นตัวที่กั้นไม่เลยใช่ไหมฮะว่าถ้าทำเพื่อให้พระนี่ฉันไม่ได้แต่ถ้าเขากินกันอยู่น่าเขาก็กินแกงนี้กันอยู่แล้วในบ้านแล้วก็ก็ตักมาให้สองสมช้อนถวายพระถ้าพระบอกฉันฉันไม่ได้ญาติโยมก็เกิดเกลียนใจพระขึ้นมาอีกต้องไปชทิ้งสาร ะ, ะวนบุ่นวายไปหาอีกใช่ไหมฮะ ทีนี้ท่านตัดกองนี้ต่างหากก็เลยวางไว้สองชั้นชั้นที่หนึ่งคือกินอยู่อย่างที่ชาวบ้านเขากินอยู่เขามีอะไรให้ก็ฉันไปสองแต่ถ้าเขาทํามาพืชตัวเองห้ามนี่พอไหมแค่นี้เอพอแลมันจะเจ้ากันไปแล้วนทีนี้ก็แปลว่าเอาเรื่องพระจะฉันเนื้อสัตว์หรือไม่เนะี่ยมันเป็นไปเองตามประชาชนนั่นสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยก็แน่นอน ค่อนข้างแน่นอนอย่างน้อยที่วังเขาพระเจ้าอาโศกว่าพระก็พลอยไม่ได้ฉันด้วยสัตว์ไปด้วยคือพระมีหน้าที่สอนอยู่แล้วนี่ไม่ให้เบียดเบียนอะไรใช่ไหมเมื่อเขาไม่เบียดเบียนเขาเว้น <c oughs> แล้วเขากินอย่างอื่นพระก็พลอยไปด้วยฉันไปตามนั้นนี้ในพระเจ้าอาโศกในวังเนี่ยพระเจ้าอาโศกพ อ, อนับถือพุทธศาสนาแล้วท่านไม่เบียดเบียนสัตว์ต่อมาท่านจารึกไว้ในศิลาเล่าไว้บอกว่า เวลานี้ที่ในวังเนี่ยยังมีการฆ่าเนื้อตัวหนึ่งแล้วก็นกอะไรตัวหนึ่งวันละอย่างละหนึ่งเท่านั้นหมายความลดหมดแล้วถ้าต่อไปเนี่ยก็จะหมดไม่ฆ่าเลยนี่แสดงว่าพระก็มีหน้าที่สอนเขาไม่เบียดเบียนเมื่อเขาเว้นแล้วเขาเป็นอยู่ยางไงพระก็เป็นไปตามเองในด้านนี้คือมันกลับมามีผลต่อกันไปเองพระน่ไปสอนเขา ไม่ฆ่าพราะเขาไม่ฆ่าพระอดเองใช่ไหมนี่มันเป็นไปเองนะไม่ใช่พระจะไปเรียกร้องฉันไม่ฉันนะไรอย่านเนงะีแล้วก็คุณจะกินไงก็กินขคุณไปอะไรเงี้ยนะแต่คุณต้องทําอย่างนี้ให้ฉันอย่างนี้ก็แย่ดิเอาก็ท่นก็ไม่ทําเองเราจะให้ฉันทําเนี่ยตัวเองก็ไม่หาอาหารเองไม่ทําอาหารเองแล้ะเวลาเขาทําให้ก็จะต้องเรียกร้องว่าต้องทําอย่างเัี้ยอย่างนี้นนพระพุทธเจ้า อย่างนี้ต้องถือว่าทรงคิดรอบขอบเลยไหมใช่ไหมฮะเป็นแต่เพียงว่าพระนั่นเองแหละไปทํำยังไงอ่ซื้อตรงหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ปัญหามันจะอยู่ที่พระนี่แหละเนี่ก็เอาไปว่าปล่อยไปตามที่ประชาชนเขาเป็นไปเป็นอยู่แต่ก็สอนเขานี่ปัญหามันอยู่ที่หนึ่งพระไม่ได้สอนไม่ได้ให้ธรรมะเนี่ย แล้วก็ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เด้กันทั้งสองฝ่ายญาติโยงก็ให้วัตถุปัจจัยอมิตรพระก็ให้ธรรมะไปไปๆก็ชักยาวมีอะไรสงสัยนะฮะอา้าวนิมนต์พอดีพรุ่งนี้ที่บ้านผมจะนิมนต์ไปครับ <c oughs> และจะให้ผมเทศผมก็นึกอยู่ว่าผมจะเทศเรื่องการพัฒนาคนนะครับครับ <c oughs> แล้วผมจะโยงมาเกี่ยวกับ ดานต้องใช้ปัญญาพัฒนาคนใช่ไหมครับใช่เพราะาเราต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไร<จ>ะเป็นประโยชน์ที่ศรัทธ า, าแต่คือผมยังไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมโยงกันนะครับโอ้ศรัทธาก็หมายความว่าตอนนี้ปัญญาเรายังไม่พอเรายังไม่เต็มที่ใช่ไหมเราก็ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์ของท่านทุกอื่นศรัทธามันจะเป็นตัวเนี้ยพอเรา เห็นว่าหนังสือนี้ท่านผุนนี้บุคคล น, นี้แหล่งเนี้ยโอ้มีความรู้จริงแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนียท่านพูดท่านสอนอะไรที่เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าเกิดศรัทธาแหละพอเกิดศรัทธาเราก็จะมีเป้าหมายมีแนวทางว่าเราจะไปเอาความรู้ประสบการณ์อย่างที่ไหนแล้วเราก็จะมีกําลังมีความเข้มแข็งที่จะเอาจริงเอาจังใช่ ้เราไม่เห็นแหล่งที่จะได้ความรู้เราก็เหนื่อยๆแล้วเราไม่เชื่อถือไม่มีกำลังบางทีก็เลยยอดท้อในการหาความรู้หาบัญญานี่พอเราเชื่อโอ้ท่านผูนี้พูดมีเหตุมีผลเท่าที่เราได้ฟังมานี่ท่านพูดจริงทั้งนั้นพอเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมเราก็มีกำลังใจที่จะฟังต่อไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะก็เลยศรัทธา ก, ก็มันหนุน นั่นจึงบอกว่าปัญญาเป็นเป้าหมายแต่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมาช่วยโดยเฉพาะเมื่อเรายังไม่มีปัญญาของตัวเองอาศัยปัจจัยภายนอกตัวเชื่อมก็คือศรัทธาศรัทธาก็มาช่วยให้เราเนี่ยมีเป้าว่าจะไปหาจากแหล่งไหนแล้วมีกําลังที่จะเอาจริตอดจังนะเข้าไปหาเข้าไปฟังเข้าไปสอบถามเข้าไปค้นคว้า ก็เลยก้าวไปในปัญญายิ่งขึ้นทั้งได้แหล่งได้เป้าหมายแล้วทั้งได้กําลังเข้มแข็งที่จะเอาด้วยนะฮะเข้าใจนะฮะศรัทธาก็เป็นตัวที่จะโยงเราเข้าสู่ท่านเรียกว่าประตูโคดซา ห, หรือกัลยาณมิตนะรแล้วก็อยู่ที่จิตสำนึกของเราด้วยนะฮะถ้าเรามีจิตสํานึกในการฝึกตัวเอง ว่าโอ้เราจะชีวิตดีงามประเสริฐได้ด้วยการฝึกตัวเองนั่นเราก็จะมีไอแนวคิดท่าทีต่อสิ่งต่างๆนะเปลี่ยนไปเลยสิ่งที่เราเคยจะต้องทำเรารู้สึกแหมมันฝืนใจลำบากเนี่ยสิ่งที่ยากแล้วไม่อยากทำเลยเป็นทุกข์ทีนี้พอมาเกิดจิตสำนึกในการฝึกตัวเองแล้วมันอยากเจอมันอยากเจอไอที่ว่าอยากนะ่ะลองมันดู เนี่ยเราจะได้ฝึกมันเยอะๆเราจะได้ยิ่งได้มากอ่ะเราก็จะเกิดคติว่ายิ่งยากยิ่งได้มากอะไรมันง่ายมันก็ไม่ได้ฝึกเท่าไร่ใช่ไหมฉันไม่ได้ทันได้คิดได้อะไรเพียนพยายามมันก็ผ่านไปซะแล้วนี่อะไรมันยากมเราต้องใช้ความเพียรต้องใช้กําลังใจต้องใช้ความเข้มแข็งอดทนต้องใช้สมาธิต้องใช้ปัญญาคิดอะไรมากเนี่ยต้องลงมือทํา ได้ทักษะนี่ได้หมดเลยนั่นอะไรยากนี่กว่าจะผ่านไปได้นี่เราพัฒนาเยอะนั้นแน่นอนว่ายิ่งยากยิ่งได้มาแต่ว่าเราเกิดหรื อ, อยังจิตสํานึกนี้ถ้าเกิดจิตสํานึกในการฝึกตนแล้วกันเนี่ยจะมาจะเป็นสุขจากการเจอปัญหาและสิ่งที่ยากถ้าคนไม่มีจิตสํานึกนี้เจออะไรทั้งทําหน่อย ท้อใจและฝืนใจและทุกข์ใจเนียพอทุกข์ใจแล้วทีนี้มันก็ใจที่จะทํามันก็ไม่มีแล้วศักแต่ว่าทำทีนี้มันก็ไม่ค่อยได้ผลมันก็เสียหมดอะใจตัวเองก็ไม่เป็นสุขทําสิ่งนั้นก็ไม่ได้ผลแต่พอใจเราเข้มแข็งเรานึกว่าที่ทํานี่ยากนี่เราจะได้เยอะด้วยใจมันเต็มใจขึ้นมามันทํามันเป็นสุขได้แล้วก็ได้ผลดีด้วย เนี่ยก็เรื่องนี้มันเป็นหลักพื้นๆ น, นะจะได้ประโยชน์เยอะท่านเห็นไหมฮะพอจะเอาไปพูดได้ <laughs> ก็หลักพระพุทธเจ้าหลักใหญ่อยู่นี่เนี่ยเรื่องฝึกเนี่ยมนุษย์เนี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เราต้องฝึกแล้วจะดีด้วยการฝึกธรรมชาติมนุษย์อยู่ที่ตรงเนี้ยเราก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์จริงไหมทิวาเนี่ยจริงนะมนุษย์นี่ยดีที่ฝึก ถ้าให้ฝึกแล้วไม่ได้เรื่องเลยอ่ามีอะไรไหมครับถามบางทีผมเห็นในงานแต่งงานเนี่ยนะครับในงานรดน้ําสังเห็นพระสวดเจริญพุทธมนต์ขณะที่คู่บ่าวสามรดน้ําสังเนี่ยมันผิดนะครับเนี่ยอ๋อเจริญพุทธมนต์ขณะที่กำลังรดน้ําสังอยู่อ๋อผมเจอบ่อยมากครับเลือ คืออันนี้อาจจะมาพัฒนาขึ้นทีหลังเนียแต่ก่อนไม่มีทีนี้พระถ้าอาจจะเริ่มขึ้นมาโดยการเผือแล้วก็เลยทําตามๆกันไปแต่ถ้ามองว่าเอาเป็นการแสดงความปรารถนาดีให้พรเขาโดยโดยมองไปในแง่ความสุขความเจริญทั่วไปนะก็มันก็ไม่ถึงกับผิดอะแต่ว่าอาจจะเป็นคล้ายๆว่า มันมันอาจจะสร้างธรรมเนียมใหม่ที่ไม่ค่อยจะดีนักเนี่แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะพอดีรู้สึกว่าเหมือนวาพไปเป็นรู้เห็นเป็นใจกับอ่คนรักกันอะไรเงี้ยก็ก็นั่นแหละก็เลยทําให้มองได้หลายแง่ไงแต่ก็เมื่อมันมีแล้วก็ต้องวางใจให้ถูกเกิดทําขึ้นมาแล้วก็วางใจไปว่าเพื่อให้เขามีความสุขความจเจริญเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ย แต่มันไม่ถึงกับเหมือนทีเดียวอย่างทหารออกศึกเนี่ยเขาก็นิมนต์พระไปพรมน้ํามนต์บางคนก็ติเตียนว่าพระทําไมไปพรมน้ํามนต์ให้ทหารออกศึกใช่ไหมแล้วก็มองได้หลายแงย่มองในแง่หนึ่งก็มองเป็นกลางๆว่าพระเนี่ยมีเมตตาปรัถนาดีถ้าไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปฆ่าทางโน้นแต่หมายความต่อบุคคลที่ท่านกาลังเกี่ยวข้องแค่เพียหน้าเนี่ย เมือนอย่างเขามาลาเนี่ยะบอกผมจะไปศึกสงครามแล้วก็เป็นพระกะ็ญาติโยมก็ต้องไปใช้พอเออขอให้รอดปลอดภัยไปดีนะนี่ก็เขามากันจํานวนมากก็เป็นกองทัพก็เป็นผมน้ามนต์ก็หมายถึงสําหรับตัวเขาน่ะให้เขามีความสุขสบายมีความปลอดภัยเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าไอเขาไปทําหน้าที่เนี่เราไม่เกี่ยวก็ต้องตั้งใจแค่นี้จะพอเห็นได้ไหมฮะก็ต้อง จัดแบ่งให้ถูกไม่ใช่ว่าแกไปลบคราวนี้นะค่าให้ได้เยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเนอเนอกาแปว่าตั้งความปรารถนาดีเมตตาต่อผู้นั้นนั่ น, น, นอีกนิดนึงครับคือว่าขอหลักปฏิบัติสั้นๆในเรื่องของการทำให้การทำงานเป็นแดนแห่งความสุขที่หลวงพ่อพูดว่าให้มีความ คิดว่าอยู่ในใจว่ามีการพัฒ น, นาตัวแล้วก็ทําให้มีกําลังใจแต่พอจะมีหลักสั้นๆแบบพอจะเอาฉุกเฉินเอาว่าฉุกเฉินผมเจอสภาพอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราท้อเนี่ยหลวพราะมีหลักสั้นๆที่ช่วยให้หลึกสติไว้ว่าทํำยังไงบ้างก็ได้หลายอย่างก็อย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเรีย น, นรู้ไงหมายความว่าเจออะไรมันก็เป็นการเรียนรู้หมดใช่ไหมเจออย่างอย่งยกตัวอย่างไปบ่อยอย่างหมอเนี่ยหมอกับพยาบาลเ่ ตั้งเจออารมณ์ท่านเรียกว่าปปเป็นอนิจฐารมณ์ที่ไม่น่าสบายใจเพคนไข้ามาหน้าตาก็เจ็บป่วยใช่ไหมบางทีก็ร่างกายร่องแร่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่น่าสบายตาสบายใจแล้วคนไข้ามาเขาก็เจ็บปวดหรือเพื่อนญาติคนไข้เขาใจไม่ดีมีทุกข์เนี่ยบางทีเขาก็ยิ้มไม่ออกนิดถ้าเราไปมองในแง่จะเอาตามที่ชอบใจไม่ชอบใจมันก็ต้องขัดใจใช่ไหมก็ มองได้หลายอย่างมองในแง่ไม่ตากรุณานึ่งก็อย่างจะได้ช่วยเหลือเขาอะไรแต่ทีนี้มองอีกอย่างก็คือมองได้เรียนรู้ใช่ว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยเราจะเห็นคนต่างๆมีอาการลักษณะต่างๆการมีการพัฒนาระดับต่างๆกันเราได้เห็นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้ได้เรียนรู้ทางนั้นเลยนะก็เรียนรู้ว่าโลกเป็นอย่างเนี้ยชีวิตคนเป็นอย่างนี้ลักษณะคนต่างๆกันนั่นอย่าง นอกจากรเรียนรู้ก็คือต่อจากนั้นก็คือว่าเราอาจจะได้มาพัฒนาตัวไปด้วยเป็นบททดสอบใช่ว่า เ, าเราเนี่ยจะรู้ว่าเราฝึกตัวเองได้ผลแค่ไหนก็ดูที่เจอบททดสอบไอเจ้านี้มาแล้วทดสอบเราก็แล้วจะเราจะผ่านไหมใช่ไหมอมองไปบททดสอบก็ได้เนี่ก็เรียนรู้แล้วก็เป็นบททดสอบแล้วเป็นแบบฝึกหัดได้เท่านั้นน ผมเคยยกตัวอย่างเรื่อยมีเพื่อนคนหนึ่งสมัยเรียนเด็กกันนี่ตึกอยู่ที่ท่าพัจจันร์เนี่ยนี่เวลาชั่วโมงว่างท่านก็นั่งที่หน้าต่างก็มองไปที่ท่าพัจจันทร์แถวนั้นคนเดินเยอะเหลือเกินสมัย น, นี้ยังเยอะหรือเปล่าม่รู้เนาะคักควายไปหมดท่านนั่งดูแล้วท่าก็นั่งหัวเราะอ้าถามว่าทําไมหัวเราะบอกว่าคนมัน ต่างๆกันเดินก็ท่าทางไม่เหมือนกันคนนั้นเดินท่าทางนี้คนนี้เดินท่าทางงั้นหัวเป็นอย่างงั้นแขนเป็นอย่างนี้ขำว่า ง, งันก็เลยมองโลกเป็นขำไปหมดเลยคือเห็นคนเป็นไปต่างๆกันทีนี้ถ้าท่านมองไะคนที่เจอเนี่ยอย่างหมอมองพยาบาลมองคนที่มานี่ก็มีอาการแปลกๆต่างๆกันหน้าบึ้งบังยิ้มบบังอะไรต่างๆพูดจาเร็วบังช้าบาังขำหมดเลย เนี่ยมันอยู่ที่วางใจใช่ไหมเนีวางใจแบบนี้ก็ขำไปหมดก็รักษาจิตใจได้ดีแต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์ไม่มานี่ก็แปลว่ามองแบบว่าได้เห็นอะไรแปลกๆลในโลกเป็นอย่างนี้สองก็ดีขึ้นมาก็ได้เรียนรู้เนี่ยก็ได้เห็นมนุษย์เป็นไปต่างๆเราก็ได้ความรู้ข้อมูลเลยเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นเนี่ยเราไม่เอาความพอใจไม่พอใจของเราคือมนุษย์เนี่ย ถ้ามาเอาความชอบใจไม่ชอบใจปั๊บเกิดตัำหาัทันทีเลยกระทบแต่ถ้าไม่อยู่ที่ความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรต่อะไรเป็นประสบการณ์ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปนะะก็เห็นเป็นข้อมูลไปนะ้วเรียนรู้แล้วก็ทดสอบตัวเองเป็นแบบกับไปพอจะได้ไหมไ <laughs> มีอะไรไหมฮะถ้าไม่มีก็วันนี้ก็ก็พอสมควร เอานะนี่ยโมทนารด้วยนย